ประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจะบับสมบูรณ์บทนำภาคแรกของหนังสือในชื่อเรื่องใต้สามัญสำนึกโดยสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังศิรินทโรเสียงอ่านโดยอริยคุณชมรมผลดีจัดทำโดยเจ้าภาพหลักศาสตราจารย์ด็อเตอร์ในแพทย์วิปราวิประกสิทธิครอบครัวสินทวัต้อทิพย์ขันเครือสุภัตราและเกียรติชัยสุธานทิพย์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 ร่วมจัดทำโดยวิชยาดามุงวิชาครอบครัวนิติสรารวุธครอบครัวทรงพลครอบครัวทัญโกลเสสุกสุเมธมาโซภากฤษณาพโลปกรณพนอมรักเพชเศถิญเข็นทองโภคาพาณิตรอริยะพันธสิติ์ร่วมกับอีกหลายท่านฟังรายชื่อได้จากท้ายเรื่องนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพร่วมและท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับสัพพะทานังธรรมทานังจินาติ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 เช่หลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งดอยแม่ปังเชียงใหม่หลวงปู่ฟ้านอาจาโรแห่งวัดอุดมสมพรสกลนครหลวงปู่เทศเทศรังศีวัดหินหมากเป้งจังหวัดน้องคายหลวงปู่อ่อนญานสิริวัดนองบัวบานอุดรธานีหลวงปู่ขาวอนลโยวัดถ้ำกลองเพนอุดรธานีพระอาจารย์มหาบัวญานสัมปนโนแห่งวัดป่าบ้านตาดอุดรธานี หลวงปู่บุญมาทิตะเปโมวัด ส, สารวันอุดรธานีหลวงปู่ชอบธานาสโมจังหวัดเลยพระอาจารย์วันอุตตโมผูเหล็กสกลนครพระอาจารย์จวนผูทอกอุดรธานีเป็นต้นและยังมีอีกหลายร้อยองค์ที่เป็นสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์มั่นผูริทตะเทระที่ยังไม่มีใครรู้จักเพราะท่านเที่ยวแสวงหาความสงบส่วนตนตามป่าเขาลำนาไพร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 ผู้เขียนแหลงเห็นความสำคัญหลายหลายประการประกอบได้เคยอยู่เป็นพระอุปถากท่าน4ปีได้รู้เห็นทราบซึ่งในจริยาวัรและอุบายวิธีคำสอนต่างๆทั้งส่วนสำคัญและส่วนเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องมีค่าต่อการศึกษาของกุลบุตรต่อไปอย่างยิ่งจึงรวบรวมบันทึกความทรงจำของผู้เขียนนามาเป็นหนังสือประวัติซึ่งจะเป็นหลักฐานต่อไป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 อย่างไรก็ตามก่อนที่ท่านผู้อ่านจะได้อ่านประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเทระฉบับสมบูรณ์ก็ควรจะได้อ่านใต้สามัญสำนึกที่ข้าพเจ้าผู้เขียนได้เดินทุดงไปกับอาจารย์กงมาจิระปุญโญอาจารย์องค์แรกของผู้เขียนว่าผู้เขียนได้มีความสัมพันธ์กับพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเทระมากน้อยเพียงใดเสียก่อนจะทําให้ผู้อ่านได้พบกับความมั่นใจหลายประการ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 ที่ข้าพเจ้าได้บันทึกไว้เมื่อรังติดตามท่านอาจารย์กงมาจิราปุญโญตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตเป็นสามเณรจนถึงได้เดินทางไปพบกับพระอาจารย์มั่นภูริธธทัตเถระเพื่อเป็นการประกอบเรื่องประวัติพระอาจารย์มั่นภูริธธทัตเถระฉบับสมบูรณ์ต่อไปใต้สามัญสำนึก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 โดยท่านจะสอนธรรมะหรือไม่ก็ต่อมนคือคนในละแวกนั้นอ่านหนังสือไม่ออกท่านต้องต่อให้ทีละคำทีละค ำ, ะคำจนกระทั่งจําได้ทั้งทาวัดเช้าและทาวัดคำ่ำอาราธนาศีลอาราธนาเทศคนในบ้านใหม่สาโรงในขณะนั้นเป็นบ้านป่าไกลความเจริญแต่เป็นแหล่งธรรมมหากินดีเพราะมีป่าว่างมาก หลายหมู่บ้านหลายแห่งพากันอพยพมาตั้งหลักแหล่งกันฉะ น, นั้นคนในละแวกนี้จึงมาจากหลายๆกรุ๊ปทําให้เกิดความไม่ใคร่จะลงรอยกันตั้งเป็นพักเป็นพวกก่อความทะเลาะ ก, กันเนืองๆท่านอาจารย์กงมาท่านเห็นเหตุนี้แล้วท่านก็เริ่มโปรยปลายธรรมะเข้าสู่จิตใจประชาชนและก็ได้ผลคือท่านได้หาอุบาสิกาให้คนทั้งหลายเหล่านั้นได้เข้าวัด ท่านก็พยายามพร่ำสอนให้เข้ามารักษาอุโบสถบ้างฟังธรรมบ้างบำเพ็ญกุศลอื่นๆบ้างจนจิตใจอ่อนลงข้าพเจ้าเองก็เป็นผู้หนึ่งที่ถูกความดึงดูดของท่านได้เข้ามาปฏิบัติธรรมภายหลังปรากฏว่าชาวบ้านใหม่สำโรงอยู่ศิลธรรมมากขึ้นจนมีศูนย์กลางคือวัดได้รวมสังสรรจนเกิดความสามัคคีธรรมขึ้ขน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 พร้อมกันนั้นท่านก็เล่าถึงเหตุการณ์การบำเพ็ญความเพียรของพระอริยาสาวกแต่ปางก่อนว่ามีพระเทระที่เป็นเพื่อนสหธรรมมิกสีรูปด้วยกันปรารถนาความเพียรอย่างยิ่งเป็นที่ตั้งแม้จะพยายามสักเพียงใดก็ไม่พอใจคิดว่าพวกเราทั้งสี่ยังมีความประมาทอยู่จึงชักชวนกันทุดงไปในกลางดงใหญ่มีทั้งเหวน้ำถ้ำภูเขา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 แม้จะตายก็ช่างมันถ้าบันไดยังพาดอยู่ปากถ้ำนี้เราก็ถือว่าห่วงชีวิตอยู่เราไม่ต้องห่วงชีวิตแล้วถ้าไม่บรรลุธรรมก็ให้ตายไปเสียเถิดจึงพร้อมใจกันผลักบันไดทิ้งเป็นอันว่าทั้งสี่รูปก็ไปทางไหนไม่ได้แล้วก็จึงปรารบความเพียรอย่างหนักเมื่อทั้งสี่องค์ปรารบความเพียรอยู่นั้นเจ็ดวันล่วงไป องที่หนึ่งก็ได้บรรลุพระอระหัสแล้วก็เหาะไปบินทบาตเพื่อมาเลี้ยงสามองที่ยังอยู่สอมองไม่ประสงค์พระยอมตายแล้วล่วงไปอีกเจ็ดวันองค์ที่สองได้บรรลุพระอนาคาเหาะไปบินทบาทมาเลี้ยงแม้สององไม่ปรารถนาที่จะฉันห้ามเสีแล้วสององ แม้จะพยายามสักเท่าใดก็ไม่อาจบรรลุได้ได้อดอาหารจนมรณะภาพไปทั้งสององค์ทั้งสององค์นี้ได้มาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าของเราองค์หนึ่งได้นามว่าพระพาหิยะได้บรรลุพระอรหันต์เมื่อฟังธรรมของพระพุทธองค์ขณะที่บินทบาทอีกองค์หนึ่งชื่อกุมารากัสปะไปทาความเพียรอยู่ในป่าผู้เดียวได้ฟังธรรมกามาทินวกถา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 เมื่อเราพักกันเรียบร้อยแล้วพวกโจรประมาณยี่สิบคนได้เข้ามาล้อมพวกเราในมือมีทั้งดาบและปืนน่าสะพึงกลัวท่านอาจารย์โกงมาเคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าพวกโจรดงพญาเย็นนี้ร้ายกาจนักมันจับพระธุดงฆ่าเสีมากต่อมากแล้วราวหนึ่งมีพระธุดงจํจำนวนก้ารูปทุดงมาเจอพวกโจรเขาใหญ่ดงพญาเย็นนี้มันจับเอาไว้หมด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 อาปลายดาบปักลงที่ดินวางท่าทางน่ากลัวข้าพเจ้าก็นั่งรับใช้ท่านอาจารย์ข้างๆนั้นนั่นเองท่านอาจารย์ก็ไม่ยอมลดทำมเทศนาอธิบายเรื่อยๆไปข้าพเจ้าจําได้ตอนหนึ่งว่าพวกเธอเอ้ยแม้พวกเธอจะมาหาทรัพย์ตลอดถึงการผิดศีลของพวกเธอนั้นน่ะก็เพื่อเลี้ยงชีวิตนี้เท่านั้นแต่ชีวิตนี้ก็ไม่ใช่ของพวกเธอ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 มันเป็นไปแล้วล่ะท่านทั้งหลายต่อมาเมื่อมหาโจรุงมาเป็นตาพระขาวอุงแล้วก็สนิทสนม ก, นกันกับข้าพเจ้าอย่างยิ่งข้าพเจ้าแม้ขณะนั้นอายุเพียงส5ห้าปีเป็นสามเณรถึงจะยังไม่เจนต่อโลกมากนักแต่สามัญสํานึกของข้าพเจ้าได้บอกตัวเองว่าน่าอัศจรรย์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 ตอนทุดงอยู่ในถ้าเขาภูคานครสวรรค์เหตุการณ์ระหว่างพุทธศักราช 2,4,7,8 พระอาจารย์โกงมาจิราปุญโยได้ปราบมหาโจรุงจนยอมทุกสิ่งทุกอย่างโดยอาศัยวาทศิลป์แห่งพระสัท ธ, ธรรมและความจริงแห่งการปฏิบัติในพระธรรมวินัยที่เรกร่งครัดของท่าน ตลอดถึงอาจาระมัญย่าที่น่าเลื่อมใสทําให้มหาโจรองได้ยอมเข้ามาถือบวชแต่พระอาจารย์ก็ให้บวชเป็นเพียงตาพระขาวนุ่งขาวห่มขาวสมท า, านศีลแปดเพราะมหาโจรผู้นี้ได้ฆ่าคนมามากมายหลังจากที่อาจารย์ได้พาข้าพเจ้าเที่ยวทุดงหาวิเวกไปตามป่าตามเขาตามถ้ำจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ ไปที่สถานีรถไฟหัวไวายเดินเข้าไปจนถึงถ้ำแห่งหนึ่งชื่อว่าถ้ำภูคาถ้ำนี้อยู่ที่ภูเขาไม่ใหญ่นักแต่ถ้ำใหญ่มากกว้างขวางและเป็นถ้ำขึ้นไม่ใช่ถ้ำลงมีปล่องหลายปล่องทําให้ภายในถ้ำสว่างไม่มืดและมีซอกเป็นที่น่าอยู่มากแห่งพระอาจารย์พาข้าพเจ้าอยู่หน้าที่ถ้ำนี้เป็นเวลาหลายเดือนเพราะเป็นที่วิเวกดี ท่านด้พาชาวบ้านใกล้ๆนั้นขุดดินทําทางเดินจงกรมในถ้าได้หลายทางแต่ขณะที่ขุดดินทําทางเดินจงกรมได้พบเบา้าหลอมทองเก่าแก่ตุ้มหูต่างหูเป็นทองคําและกะโหลกศรีรษะอะไรต่างๆมากมายเป็นของโบราณข้าพเจ้าก็ได้ท่องปาฏิโมกได้ในขณะที่อยู่ในถ้ำนั้นเองเพียงสิห้าวันเท่านั้นก็ท่องจบ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 และได้มาอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์บ้านใหม่สำโรงมหาโจรุงซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นตาพระขาวอุงไปแล้วนั้นก็ได้ติดตามอาจารย์มาจำพรรษาร่วมอยู่ที่วัดนี้เธอตั้งใจจะปฏิบัติกรรมฐานอย่างเต็มความสามารถและก็เป็นผลทำให้จิตใจของเธอได้รับความสงบและเยือกเย็นเป็นอย่างยิ่งการทาความเพียรของเธอนั้นทาอย่างยิ่ง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 ก็ได้รับอนุมัติให้ไปจันทบุรีข้าพเจ้าหลังจากที่กลับจากทุดงในครั้งนั้นแล้วก็เป็นไข้ามาเลาเรียจับไข่ยอยู่วันเว้นวันจนถึงขึ้นสมองและสลบไปข้าพเจ้ามีรู้ตัวเลยในขณะนั้นเหมือนกับจิตวิญญาณไปเสวยความสุขอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งประมาณ30นาทีจึงฟื้นคืนมาพอหายไม่ดีเท่าไหร่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 ย้อนกล่าวตอนต้นของท่านอาจารย์กงมาเพื่อให้ข้อความต่อเนื่องกันเมื่อท่านเป็นคารวะาเป็นพ่อค้าขายโคกระบือและเป็นหัวหน้าได้นํากระบือเข้ามาขายทางภาคกลางทุกๆปีจนฐานะของท่านมั่นคงและได้แต่งงานกับหญิงในบ้านของท่านคือบ้านโคต่อมาเมื่อภรรยาตั้งครรภ์และได้คลอดบุตรภรรยาได้ตายขณะคลอด ทำให้ท่านเกิดความสังเวชสลดใจและเศร้าโศกเป็นอย่างยิ่งจึงได้คิดที่จะสละโลกีทั้งมวลได้เป็นลาบิดามารดาและญาติก็ได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างดีเ<ด>มื่อบวชแล้วท่านก็ได้ไปอยู่ที่วัดตองโคแต่วัดนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานกันเมื่ออยู่ไปไม่ได้ผลทางใจท่านก็พยายามสืบหาครูบาอาจารย์ได้ข่าวว่า อาจารย์วานคำเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอยู่ไม่ไกลนักจึงไปขอพักอาศัยอยู่ด้วยอาจารย์วานคำก็ได้ให้ความรักใคร่แก่ท่านเป็นพิเศษได้สอนให้ทำสมาธิตามวิธีของท่านอยู่ประมาณสิบเดือนก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านไม่พอใจคือตอนค่ำๆพระจะต้องไปถอนหญ้าถางป่าตัดต้นไม้อาจารย์วานคำบอกว่า เราทำอย่างเนี้ยมันก็ผิดวินัยอยู่แต่จําต้องทําภายหลังอาจารย์คงมาทราบว่าผิดวินัยก็ไม่อยากจะทําแต่ก็จําต้องทําด้วยความเกรงใจอยู่มาวันหนึ่งท่านอาจารย์คงมาท่านก็ได้ทราบข่าวว่ามีตาพระข์าวคนหนึ่งทุดงมาปากลดอยู่ใกล้ๆแถวๆนั้นมีผู้คนไปฟังเทศกันมากเกิดความสนใจขึ้น เมื่อได้โอกาสจึงได้ไปหาตาภักขาวคนนั้นเมื่อได้พบก็เกิดความเลื่อมใสพรอดเห็นกิริยามารยาทประกอบกับมีราศีผ่องใสจึงได้ถามว่าท่านมาจากสํานักไหนตาภักขาวบอกว่ามาจากสํานักท่านอาจารย์มั่นภูริทัตโตถามว่าอยู่กับท่านมากี่ปีตาภักขาวตอบว่าสามปีและตาภักขาว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 ท่านอาจารย์มั่นกำลังให้โอวาดแก่พระภิกษุสัมเนีรอยู่ณนะที่ศาลากำมารอมุงยากาหลังเล็กๆท่านอาจารย์กงมารู้สึกว่าเมื่อได้ไมาเห็นภาพเช่นนั้นเข้าให้ตื่นเต้นระทึกใจเหมือนกับว่ามีปีติตกอยู่ในมโนรมตัวชาไปหมดจึงนั่งรอพักอยู่ในที่แห่งหนึ่งใต้โคนไม้เมื่อท่านอาจารย์มั่นเสร็จจากการให้โอววาดแล้ว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 แล้วก็บอกให้ไปอยู่ที่กุติหลังหนึ่งที่เปลี่ยวที่สุดตอนพระอาจารย์คงมาจิระปุญโญพบพระอาจารย์มั่นรับโอวาทครั้งแรกเมื่อท่านได้รับโอวาทครั้งแรกของท่านอาจารย์มั่นแล้วก็ทำให้ทราบซึ้งอย่างยิ่ง เริ่มต้นเร่งความเพียรอย่างเต็มความสามารถท่านได้กระตอบเล็กหลังหนึ่งอยู่ในป่าณดงพนานี้เป็นดงใหญ่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ดุร้ายต่างๆแต่เป็นที่สงบวิเวกเป็นอย่างยิ่งขณะที่ท่านกําลังเร่งความเพียรอยู่นั้นท่านเล่าว่าณที่แห่งนี้เป็นดงมาเรียถ้าผู้ใดอยู่ที่ไม่ระมัดระวังแล้ว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 ความเป็นมาในวันนี้ท่านเดินนาไปเล่าถวายท่านอาจารย์มั่นได้รับการยกย่องสันเสริญในถ้มกลางพระสงฆ์ทั้งหลายที่มาประชุมกันและได้พูดว่าท่านโกงมานี่สำคัญนักแม้จะเป็นพระที่มาใหม่แต่บารมีแก่กล้ามากทำความเพียรหาตัวจับยากสู่เสียสละให้ยุงกินได้ตลอดคืนควรจะเป็นตัวอย่างแก่ผู้ตั้งใจปฏิบัติทั้งหลายและท่านอาจารย์มั่น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 และเดินต่อไปที่ปา่าช้าซึ่งเขาจะจัดให้เป็นที่สร้างวัดซึ่งปรากฏเป็นวัดายงามในเวลาต่อมาและได้ไปถึงเวลาบายโมงกับ15นาทีการสร้างวัดายงามนี้ท่านอาจารย์โกงมาท่านได้สร้างคนหมายความว่าท่านได้สร้างคุณธรรมให้แก่คนในละแวกนั้นอย่างเต็มที่เพราะตั้งแต่วันมาถึงท่านได้เปิดการแสดงธรรมทุกวัน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 ได้ช่วยกันเผยแพร่ธรรมปฏิบัติกว้างขวางออกไปทุกอำเภอและหลายตำบลอันเป็นผลงานปรากฏจนถึงทุกวันนี้คือปรากฏว่ามีวัดที่เป็นวัดปฏิบัติอยู่แทบทุกอำเภอเช่นวัดคลองกุ้งวัดเขาแก้ววัดเขาน้อยท่าฉลับวัดยางราโหงวัดเขากน้อยวัดทรายงามวัดดํารงธรรมวัดมณีคีรีวงวัดสถาพรวัฒนาวัดสามัคีคุณาวาสเป็นต้น